Thank mm -hmm. you. บทสวดที่เราได้สาธ ย, ยายเมื่อสักครู่เชื่อว่าหลายคนไม่เพียงแต่ได้สาธ ย, ยายด้วยปากของตัวเองเป็นขั้นแรกเท่านั้นนะอาจจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกด้วยก็ว่าได้ยิ่งได้เข้าใจความหมายนะของบทสวดที่ชื่อว่าธรรมจักกะโพธนสูตรเนี่ยและก็ยิ่งน้อยคนใหญ่นะที่ จะเคยได้อ่านหรือว่าเคยได้สาธยายนะด้วยตัวเองปกติเวลาเราฟังพระสวดมนต์ไม่ว่าที่วัดหรือว่านิมนต์มาตามบ้านเช่นทำบุญบ้านหรือว่ามีการทำบุญเลี้ยงพระเราก็มักจะได้ยินพระสวดบทอื่นซึ่งผู้คนก็เชื่อว่า จะทำให้เกิดความสุขความเจริญนะเป็นสลีบมงคลซึ่งที่จริงบทสวดเหล่านั้นก็มีเนื้อหาทํานองนั้นแหละอย่างที่เมื่อเช้าได้สวดเนี่ยนะอายุวัตโกธนวัตโกยศวัตโกพลวัตโกนะก็คือขอยมีความเจริญในอายุนะทรัพสมบัติสลีบมงคลนะเกียรติยศหรือว่า ที่ก่อนนั้ น, น, นเนี่ยพระสวดเมื่อเช้าเนี่ยนะาวหุงอันนี้ก็เป็นบทที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆนะเวลาทำบุญเล้งพระที่บ้านหรือว่าที่วัดก็ตามคนญาติโยมก็อยากจะให้พระสวดบททำนองนี่แหละเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็มีความหมายในทางที่ทำให้ เ, เกิดความเจริญงอกงาม อย่างเช่นพาวหุงเนี่ยนะเป็นเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้าแปดประการชนะตั้งแต่พรมมานยักษ์พญานาคนะผู้ร้ายฆาตรกรช้างนะสารพัดนี่เราก็เชื่อว่าเออได้ฟังชัยชาพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลอำนวยให้เราได้ชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเอาชนะคนที่มุ่งร้ายจองร้างจองผ่าน บทสวดที่เราดีดได้ฟังก็มักจะเป็นไปในทํานองนั้นแหละซึ่งเรียกรวมรวมว่าทําให้เกิดสลีปมงคลแล้วก็หวังว่าจะอํานวยให้เกิดความสุขความเจริญแต่ว่าบทประเภทที่เรียกว่าที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยทำมาจากกับพระธารสูตรเนี่ยไม่ค่อยดีดได้ฟังเท่าไหร่หรอกพระตัาก็ไม่ค่อยได้สวดในงานมงคลรวนะมทั้งงานออมมงคลด้วยแต่มีความหมายดีมากนะ แล้วก็จะเรียกว่าบรรจุครอบคลุมสิ่งที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาเอาไว้เป็นการแสดงศัจธรรมนะของชีวิตแล้วก็หนทางสู่ความพ้นทุกข์นะซึ่งประเสริฐยิ่งกว่าการที่เราประสบนะความเจริญนะมียศทรัพย์อำนาจมีอายุยืนยาวเสียอีกนะ เพราะว่ามีสิ่งเหล่านั้นนะ่ะก็ยังต้องทุกข์อยู่ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุวันนสุขภาระนะมันก็ล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงมีวันหมดนะมีวันยุติหมดเมื่อไหร่นะก็ทุกข์นะแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านัคือความพ้นทุกข์ซึ่งหนทางสู่ความพ้นทุกข์นี่แหละก็ พระพุทจาก็ได้แจกแจงเอาไว้นะในบทสวดหรือพระสูตรบทนี้นะเพราะฉะนีนน้ฟังแล้วเนี่ยนะและพิจารณาตามเนี่ยเป็นสิริมงคลเสียยิ่งกว่านะได้ฟังพระสวดบทเจริญพุทธมณสิกนะถ้าเราฟังแล้วไม่ใช่ว่าฟังให้เคิรมคลอยแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจความหมายพระสูตรบทนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นคําสอนที่ปฏิวัติโลกก็ว่าได้นะ เพราะว่าทำให้เกิดมีพระอริยเจ้าเนี่ยนะขึ้นมาในโลกเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะมีแค่องค์เดียวนะก็คือพระโกนทัญญะแต่ว่าก็เป็นต้นแบบนะของคำสอนคำเทศนาในเวลาต่อมาที่ทำให้มีผู้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นจำนวนมากจนกระทั่งนะเข้าถึงความพ้นทุกข์ก็คือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยเจ้า และเมื่อท่านได้รู้ธรรมแล้วเนี่ยท่านก็เห็นไม่ได้ต่างไปจากที่ผู้เจ้าได้สาธยายเมื่อสักครูนะ่ผู้เจ้ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรภริยเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็รู้เห็นอย่างนั้นแหละแล้วที่ท่านรู้ท่านเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เพราะว่าได้อาศัยนะแบบแผนนะแห่งการปฏิบัติที่ผู้เจ้าได้วางเอาไว้นะในธรรมจักกัปวัตนสูตร พระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ตามมาตลอดสอง0ห้อยปีเนี่ยก็เลยแล้วแต่มีจุดกำเนิดนะจากคำสอนที่ว่ า, าจริงเรียกว่าเป็นคำสอนที่ปฏิวัติโลกนะเพราะว่าก่อนนั้ น, น, นเนี่ยโลกเนี่ยไม่มีพระอริยเจ้าเลยถึงแม้ว่าเราจะเชื่อเราจะ <c oughs> เราเชื่อว่าในกลับนี้เนี่ยมีพระเจ้ามาแล้วอย่างน้อยสามพระองค์ แต่นั่นก็เป็นการเวลาที่ไกลไม่สามารถจะระบุวันเดือนปีได้แต่ที่เรนรู้แน่ๆคือว่าในช่วงสอ0 0 า, า100ปีนีมีพริยาเจ้าเกิดขึ้นมาเป็นจานวนมากก็เพราะมีที่มาที่ไปนะจากบทสวดบนนี้แหละเอาคำสอนที่เราคุ้นเคยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอริยสัจส์4มัลมีองค์8เนี่ยจุดเริ่มต้น มาจากคำสอนอบทนี้รวมทั้งเรื่องทางสายกลางนะที่เราคุ้นเคยได้ยินกันวนเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นนะจากคำสอนที่ว่านี้เองนะจึงเรียกว่าเป็นคำสอนที่บรรจุหวัวใจของพุทธศาสนานะที่ไม่ใช่แค่รู้ไวล้ลอยๆนะแต่ช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้นะ ทำใหเราได้ประสบกับสิ่งที่มันวิเศษประเสริฐนะก็อายุวันนาสุขาพละหรือว่าราดยศสุขสารเสริญซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกปรารถนาะอีกอันนี้ที่พระองค์ได้ตัดเรื่องอ้สัตวส่เนี่ยนะส่วนหนึ่งนะเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะทุกคืออะไรนะเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกนะ ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแข็งแกใจกวเป็นทุกข์เนี่ยเป็นต้นเนี่ยอันนี้เราก็รู้อยู่นะสายแห่งทุกข์หรือสมุทยัยคืออะไรเราก็เรียนมาตั้งแต่ชั้นประฐมแล้วนะนี่โรจนะได้แก่อะไรนะอันนี้รวมทั้งมรรคยงแปดคืออะไรถึงแม้เรายังจําไม่ได้นะแต่เราก็คุ้นตาอยู่นะตั้งแต่เรียนประถมมัธยม แต่จริงอริยสัตวเนี่ยมีมีมากกว่านั้นนะที่พูดมาทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นสัจจยานเป็นความรู้ที่เรียกว่าแค่หนึ่งในสของอริยสัตว์สีนะหนใน3นี้เราสัจจยานอีกหนึ่งในสามสคัญมากคือกิจกจยานก็คือความรู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับอริยสัต4แต่ละข้ออย่างไรนะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เรียนกันเท่าไหร่ครูก็ไม่ค่อยได้สอน กาวคือ <c oughs> นะทุกนเนี่ยนะเราควรเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรนะเกี่ยวข้องด้วยการกําหนดรู้หรือว่ารู้ให้ทั่วถึงนะท่าใช้ว่าปริญญากนะําหนดรู้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าการเพ่งนะแต่หมายถึงการรู้ให้ทั่วถึงนะเพราะปริญญาเนี่ยนะมันไม่ใช่ปริญญาบัตรนะแต่หมายถึงว่าการรู้ทั่วถึงอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าทุกนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องละเราคนไปเข้าใจทุกเป็นสิ่งที่ต้องละต้องกําจัดไม่ใช่ อุจจตบาทุกเป็นสิ่งต้องรู้ไอสิ่งที่ต้องละนะกาจัดก็คือสมุทัยต่างหากนะสมุทัยคือสิ่งที่ต้องกาจัดสิ่งที่ต้องละนะและถ้าละแล้วเนี่ยนะนิโรธก็จะปรากฏขึ้นกับเรานะแต่การที่จะละการที่จะละสมุทัยได้เนี่ยต้องอาศัยมักงมีองค์นะ ไม่ช่ว่าอยากจะละ ก, ก็ละได้เลยต้องอาศัยการปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์แซึ่งเริ่มโดยสัมมาทิฏฐิธนะาารรมจักรพทธรเนี่ยนะเป็นคําสอนที่กระตุ้นให้เราลงมือปฏิบัตินะไม่เหมือนกับบทสวดพุทธมนต์นะบทสวดพุทธมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ฟังแล้วเออชาวผู้เราก็เชื่อว่าได้สลีบมงคลล้เกิดสลีบมงคลกับบ้านเรือนนะยิ่งมีการผมน้ำมนต์เนี่ยก็สบายไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็ให้นี้ให้พระมาทําให้ แล้วก็เกิดสิีปมงคลกับเราซึ่งคนชอบเนเพราะไม่ต้องทําอะไรเลยนะแต่ธรรมจักเนี่ยนะต้องทำนะต้องทํานะคือว่าต้องลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติปฏิบัติอะไรนะก็มักมีองค์แนั่นแหละคนส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้ามีคนทําให้เนี่ยชอบแต่ถ้าลงมือทําเองนี่ไม่เอาอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำํำไมธรรมจักเนี่ยไม่ค่อยอเราไม่ค่อยได้ยินพระสวดเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ค่อยมีการนิมนต์พระมาสวดตามบ้าน นะเพราะว่าเราอยากจะได้สิริมงคลแต่เราไม่อยากจะสนใจว่าสัจธรรมคืออะไรและจะเข้าถึงสัจธรรมนี่ต้องทําอย่างไรอันนี้เนี่ยที่พูดไว้เนี่ยว่ากิจยานเนี่ยนะมีสีประการคือทุกเป็นสิ่งต้องรู้เนี่ยอันนี้มันมีความหมายที่น่าสนใจนะไม่เพียงแต่ที่พูด้เมื่อสักครู่ว่าทุกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องละทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยมันหมายความว่าเมื่อเราเจอทุกแล้วเนี่ย อย่าไปผักไสมันอย่าไปผักไสแต่เราต้องพยายามน ะ, ะศึกษานะศึกษาและเข้าใจคนเนี่ยพอเจอทุกข์แล้วเนี่ยไม่ชอบนะถ้าหันหลังถ้าหนีไม่ได้ก็พยายามผักไสมันถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้ทุกข์ได้อย่างไรเราจ ะ, ะเข้าใจทุกข์ได้อย่างไรนะ ทุกไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวรล้ายเสมอไปนะไม่ไว่าสิ่งนั้นจะได้แก่ความเจ็บป่วยความพัดพร่ามันมีประโยชน์ถ้าเกี่ยวข้องเป็นทุกอย่างในโลกเนี่ยถ้าเราใช้ให้เป็นนันมีประโยชน์ยาพิษเนี่ยถ้าใช้ให้เป็นมันก็สามารถจะรักษาโรคเช่นมะเร็งได้นะพวกเคมีบําบัดนี่ก็จะว่าไปมันก็มาจากยาพิษนั่นแหละขี้หมาหรือว่ามูลสัตว์เนี่ยนะถ้ากองไว้หน้าบ้านมันก็เหม็น แต่ถ้าเราไปวางไว้ในสวนนะมันก็กลายเป็นปุ๋ยผลไม้ที่เรากินจากประเทศจีนนะแอปเปิลก็ดีองุ่นก็ดีเนะี่ยปุ๋ยมันมาจากไหนนะเราก็คงรู้นะปุ๋ยมาจากไหนอร่อยนะเพราะว่าอาศัยปุ๋ยนะก็เป็นมูลคนนี่แหละทุก็เหมือนกันนะทุกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เร็วลายเสมอไปนะถ้าเราใช้มันให้เป็นนะมันก็เกิดคุณเกิดประโยชน์และวิธีใช้ ทุกให้เกิดประโยชน์คือว่าศึกษาหรือว่ารู้ให้ทั่วถึงนั้นครูบาอาจารย์ยังบอกว่าทุกเนี่ยนะนะมีไว้ให้เห็นแต่ที่เป็นเป็นปัญหาก็เพราะว่าคนเนี่ยไปเป็นทุกซะคนเข้าไปเป็นทุกทุกไม่ได้มีไว้เป็นนะทุกมีไว้เห็นนะเช่นเดียวกันปัญหาก็ไม่ได้มีไว้กลุ่มปัญหามีไว้แก้ ถ้าเราถ้าปัญหามีปัญหาแล้วเราเอาแต่กลุ่มนะเราขาดทุนเราถูกปัญหามันกระทําแต่ถ้าเราพยายามเอาปัญหาเนี่ยมาพิจารณาเพื่อแก้เราได้ประโยชน์เรามีปัญญามากขึ้นเราฉลาดมากขึ้น แลวถ้าหากว่าเจอปัญหาทํานองนี้อีกหรือปัญหาที่แตกต่างอย่างนี้เราก็อาจจะใช้ปัญญาที่เกิดจากการแก้ปัญหาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเอามาใชนะ้ในการแก้ปัญหาใหม่ๆได้อีกนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอเจอทุกแล้วเนี่ยก็ทุกซ้ำนะเช่นอพอเจ็บป่วยนะ แทนที่จะป่วยกายก็ป่วยใจด้วยนะเพราะว่าเอาแต่ตีโพยตีพายโวยวายทำไมต้องเป็นชั้นนะเวลาป่วยกายเนี่ยนะแทนที่จะเห็นความป่วยที่เกิดขึ้นกับกายก็ค่อยไปเป็นผู้ป่วยค่อยไปเป็นผู้เจ็บนะมันก็เลยเป็นทุกข์ที่ใจไงแทนที่จะป่วยแต่กายก็กลายไปว่าป่วยใจซ้ำนะป่วยเรียกว่าเบิ้์นเลยนะ เวลาพัดพลาดเช่นเงินหายนะแทนที่จะหายแต่เงินนะก็กลายเป็นว่าใจก็ทุกข์ไม่ใช่แค่เสียเงินแต่ใจก็เสียความสุขก็เสียเพราะเอาแต่คิดวิตกเอาแต่คิดเสียอกเสียใจอะไรอาวรบางคนเนี่ยเสียใจจนร่างกายพ่ายพอบางคนก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนหรือว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็กลายเป็นว่าไม่ได้แค่เสียใจยเดียวสุขภาพก็เสีย จะทำงานก็ทำไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่ป่วยแต่ว่าไม่มีกระจิกระายทำเสียงานอีกและพออารมณ์หงุดหงิดอารมณ์พออารมณ์ไม่ดีนะก็วุ่นวายใส่เพื่อนทะเลาะกับเพื่อนเสียเพื่อนอีกนะอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วยกตัวอย่างไปเมื่อวา น, น, น เ, าเนี่ยคนร้อนเนี่ยพอเกี่ยวข้องกับทุกไม่เป็นนะมันมักจะลงเอยด้วยการซ้าเติมตัวเองแทนที่จะป่วย ก, ยกายก็ป่วยใจด้วย นะแทนที่จะเสียแต่เงินก็เสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพกายเสียงานเสียเพื่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ทุกข์ให้เป็นเนี่ยนะเราจะได้ประโยชน์มากความเจ็บความปวยก็สอนทำให้กับเราได้สอนเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารเตือนให้เราตระหนักนะถึงความไม่จีรังนะของสังขารนะช่วยทำให้เราไม่ประมาท ก, กับชีวิต เรียกว่าเข้ามาสอนทำให้กับเราเช่นเดียวกันนะเวลาพัดพรากจากคนรักหรือว่าของรักเช่นทรัพย์สินเงินทองเออมันก็มาเตือนให้เราไม่ประมาทนะมันมาเตือนให้เราเนี่ยรู้จักระมัดระวังนะเวลาจะวางของวางกระเป๋าก็ให้มีสติอยู่กับการวางไม่ใช่วางแล้วคนหยิบไปนะอันนี้เพราะความประมาทความเผลอเลอ่ หรือมิชนัมก็สอนเราว่ามันไม่อยาจะเป็นของเราอย่างแท้จริงเลยทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับรอยเพลงชั่วคราวแล้วมันก็ไปถ้าไม่หายไปกับน้าหรือไฟก็มีคนเอาไปหรือมิชันนัมมันก็เสื่อมสภาพไปนะตามธรรมดาของมันนี่ถ้าเราพิจารณาแบบนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่าคนเราเนี่ย อะไรที่เกิดขึ้นกับเราทุกขณะทุกขณะเนี่ยมันมีทางแยกนะแยกไปสู่ทุกข์หรือว่าสู่ความไม่ทุกเวลาเจ็บป่วยมันก็มีทางแยกว่าเราจะทุกหรือว่าเราจะไม่ทุกแล้วมันอยู่ที่การเลือกของเราเวลาเงินหายถูกโกงนะเราสามารถจะทุก์ก็ได้ไม่ทุกก็ได้อยู่ที่การเลือกของเรา ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นปุ๊บเราต้องทุกข์นะควรไปเข้าใจางั้นนะที่วัดเนี่ยเวลาเช้าๆเนี่ยพอตีะระฆังบินทบาทเนี่ยนะหมามจะร้องหมามจะโหยหวนถ้าตีทีมันก็จะร้องถีถ้าตีห่างมันก็จะร้องห่างนะหลายคนเห็นแล้วก็หัวเลาะนะแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่า มาพวกนี้นี่มันเป็นธาตุของเสียงะระฆังน ะ, ะระฆังเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวบงการสั่งให้มันหอนสั่งให้มันเถ่านะแต่ที่จริงถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยบางั้งบางรั้งคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะพอได้ยินเสียงด่าปุ๊บเนี่ยเราด่ากลับเลยใช่ไหมถึงแม้ไม่ด่ากลับด้วยวาจาก็ด่าอยู่ในใจคล้ายๆกับว่า มันเป็นปฏิกิริยาทันทีส่งนแค่กับว่าเราถูกกระตุ้นนะถูกบังคับให้ทำอย่างนั้นแต่ที่จริงคนเราเนี่ยนะมันไม่ใช่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้นะแบบหมาเสมอไปเราเลือกได้นะเช่นมีคนด่าเรานะเราเลือกได้ว่าจะด่ากลับหรือว่าเราเลือกได้ว่าเราจะเฉยๆไม่ได้ทุกร้อนอะไรเจออะไร ไม่สำคัญทั้งกว่าใจเราเป็นอย่างไรเจออะไรเนี่ยมไม่สำคัญทั้งว่าใจเราเป็นอย่างไรถ้าใจเราฝึกไว้ดีเนี่ยนะเจอเสียงด่านะใจเราเป็นปกติก็ได้นะไม่ใช่ว่าพอถูกด่าปุ๊บเราด่ากลับหรือว่าพอพอของหายปุ๊บเนี่ยเสียใจปั๊บเลยนะมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะสิ่งที่เรามนุษย์เรามีคือใจ และใจนี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ทุกดาเฉยๆก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งนะบางคนอาจจะรู้จักนะชื่อโจนจันใดนะโจนจันใดเดี๋ยวนี้ก็เป็นเป็นไอดอลนะของคนรุ่นใหม่นะที่อยากจะกลับคืนสู่ธรรมชาติเพราะว่าเขาเนี่ยทำกเษ ก, ำกเษตรทําเกษตรนะแบบเรียกว่าอยู่อาศัยธรรมชาติแล้วคนก็ไปเล่นกับเขาเยอะฝรั่งก็มากเขาเล่าว่าสมัยที่เขายังหนุ่มเนี่ยเขา อยากจะรวยเหมือนคนทั่วไปนะก็เลยไปสแสวงโชคที่กรุงเทพความรู้ก็ไม่มีมากเขาเป็นคนอีสานความรู้ก็น้อยถึงแม้เรียนจบปริญญาก็ตามนะคราวหนึ่งเขาไปเป็นลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้เจ้านายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งเขาไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนคือ เอออะไรก็ดา่ดาดา่าด่านะแล้วยิ่งมีลูกน้องที่ไม่ค่อยประสีภาษาก็ยิ่งได้ทีคมใหญ่เลยมีคราวหนึง่งแม่บ้านคนนี้ก็สั่งให้เขาเนี่ยไปไปขัดลูกลูกบิดในะในห้องในห้องพักของแขกก็ให้รัสโซไปขัดแล้วก็ยืนคุมอยู่ก็ ข, ขัดอย่างตั้งใจงจนจนถ้ามัน ลูกบิดเนี่ยมันวาวเลยนะจูจูเอ็มผู้จัดการก็มาพอเห็นก็ว่าโจรเลยว่าเอาประโซ่ขัดลูกบิดอย่างเงี้ยมันขัดไม่ได้เพราะว่าลูกบิดมันมันเป็นมันไม่ใช่ทองเหลืองเนี่ยราคาแพงด้วยแม่บ้านเนี่ยอยู่ ใ, ใกล้ๆนะแทนที่จะแทนที่จะปกป้องนะโจรเพราะว่าตัวมีคนสั่งให้โจรทํากับซ้ําเติมโจรเลยเราะว่าเธอเนี่มันทำไมทำอย่างนี้ โง่เหลือเกินนะทำอย่างนี้ได้ยังไงนะใครให้ทำเนะี่ยซ้ำเติมนะถ้าเราเป็นโจรเราจะรู้สึกยไงนะคงจะฉุนคงจะโกรธนะบอกว่าโจรเนี่ยจู่ๆเขาก็ยิ้มนะแล้วก็พนมมือแล้วก็บอกว่าขอโทษครับขอบคุณครับแล้วก็นับแต่นั้นมานะเวลาแม่บ้านด่าเขาทีไรเนี่ยเขาก็จะพนมมือไหว้ยิ้มแล้วก็บอกขอบคุณครับขอโทษครับ จนเป็นทึ่งเป็นที่ล่าลือกันในหมู่พนักงานโรงแรมบางคนก็หาว่าไอ้โจนนี่มันโง่นะถูกเ้าด่าแล้วดันยิม้มบางคนก็หาว่าไอ้โจนมันบ้านะมีที่ไหนถูกด่าแลยยิม้มนะแถมขอบคุณนี่อีกหเดือนผ่านไปนะแม่บ้านเนี่ยสงสัยเหลือเกินทําไมโจนเนี่ยแม่ได้เรียกมาเรียกมาว่าเนี่ฉันสงสัยเหลือเกินนะเวลาฉันว่าเธอฉันดา่าเธอทำไมเธอยิม้ามทําไมเธอพนมมือไหว้ฉันและแถมยังขอบคุณฉันอีกนะโจนก็บอกว่า เวลาผมทำอะไรแล้วแม่บ้านด่าเนี่ยนะบางทีผมก็รู้ว่าผมไม่ผิดนะแต่ว่าแม่บ้านเนี่ยก็มันเป็นธรรมดาของแม่บ้านชอบทำอย่างนั้นผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าที่ขอบคุณแม่บ้านก็เพราะว่าเวลาแม่บ้านด่าผมเนี่ยมาทำให้ผมกลับมาดูใจตัวเองแล้วก็พยายามดูใจไม่ให้ทุกข์ก็เลยขอบคุณนะขอบคุณแม่บ้านนะที่ช่วยให้ผมเนี่ยได้กลับมาดูแลจิตใจของผม รากว่านับแต่นั้นมาเนี่ยแม่บ้านนี่เลิกด่าโจรอย่างเลยนะคงแพ้ใจนะคงแพ้ใจหรือว่านับถือน้ําใจของโจรส่วนโจรเองหลังจากนั้นเนี่ยนะเขาก็เวลาเขามีใครด่าเขาเวลามีใครว่าเขาเขาก็ยิ้มแล้วถ้าเขาผนุมมือได้เขาก็จะผนมุมนะอันนี้เห็นเลยนะว่าคนเรานี่ไม่ใช่ว่าพอถูกด่าปุ๊บเนี่ยนะมันจะด่ากลับนะเหมือนหมาที่หอนนะเวลาได้ยินเสียงะระฆัง คนเราเนี่ยเลือกได้นะว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ที่ด่า ก, กับเพราะทุกข์นะแต่ว่าถ้าเราเลือกได้ว่าเราจะไม่ทุกข์ก็ได้นะไม่ทุกข์เพราะเห็นว่าเออคำด่ามันก็มีประโยชน์นะเออช่วยสอนใจเราช่วยฝึกใจเราทำให้เราเข้มแข็งอันนี้ก็เรียกว่าใช้ทุกข์ให้เป็นประโยชน์คนเราเนี่ยนะเจออะไรไม่สำคัญนะเท่ากับว่าใจเราเป็นอย่างไร และเพ ن พอใจที่ฝึกไว้ดีเนี่ยนะเราจึงสามารถที่จะเลือกไม่ทุกได้นะไม่ว่าจะเป็นการเจอคาําด่าเจอความพักพรากนะเจอคนโกงนะเจอความเจ็บป่วยเราก็สามารถที่จ ะ, ะไม่ทุกได้ถ้าคนไปเข้าใจว่าเราจะทุกข์ก็ต่อเมื่อต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีถ้าเจอสิ่งดีๆเราจึงจะไม่ทุกนะ อันนี้ไม่ใช่เลยนะเพราะว่าคนที่เจอสิ่งดีๆแต่ทุกก็ได้นะถ้าหากว่าใจวังไม่ไม่เป็นหลายคนบอกว่าเนี่ยเวลาทำบุญก็จะอธิษฐานว่าขอให้เจอคาว่าไม่ขอให้ไม่เจอคำว่าไม่มีนะขอให้เจอแต่คำว่ามีนะอาตมาเคยได้ยินหลายคนเนี่ยนะอธิษฐานแบบนั้นชั้นชีวิตนี้เนี่ยขอให้เจอนะแต่คำว่ามี คำว่าไม่มีอย่าให้ได้เจอแต่เราแน่ใจได้ไงว่าแม้เราจะเจอแต่คำว่ามีเราจะไม่ทุกข์เพราะถึงแม้ว่าเจอคำว่ามีแต่เราอยากจะมีมากกว่านี่ทุกข์ไหมมีอ่ะได้อ่ะนะได้ร้อยนะแต่ถ้าต้องการห้าร้อยเนี่ยมันทุกข์ไหมได้ล้านนะแต่ว่าอยากได้ห้าล้านเนี่ยมันทุกข์ไหมมันก็ทุกข์ใช่ไห มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์มันมีที่ว่าเจออะไรแต่มีที things, ans, ่ว่าใจเราเป็นอย่างไรใฮ้เวลาเราเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยอย่าอย่ามัวแต่ปรารถนาว่าขอให้ได้เจอสิ่งดีๆขอให้อย่าได้เจอสิ่งที่ไม่ดีเลยอย่าไปห่วงตรงนั้นเลยนะห่วงตรงที่ใจเราดีกว่าจะเจออะไรก็ตามเนี่ยขอให้ใจเราดีไว้ก่อนขอให้ใจเราฉลาดไว้ก่อนแม้แม้เจอสิ่งที่ทุกข์นะเจอความพัดพรากเราก็ยังเป็นสุขได้ เพราะว่าสุขหรือทุกข์เป็นสิ่งที่เราเลือกได้นะที่จริงแล้วเนี่ยไอ้การที่ใจเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราทำได้ง่ายกว่าไอ้การจะเจอแต่สิ่งดีๆเนี่ยในความเป็นจริงมันยากนะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆนอกตัวเราได้ว่าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้เจอแต่คนที่ดีขอให้เจอแต่ คนที่รู้ใจเราขอให้เจอแต่เจ้านายที่น่ารักขอให้เจอแต่เพื่อล้มงานที่เออเพื่อเกื้อกูลขอให้ไปไปที่ไหนขอให้เจอแต่ทางสะดวกรถไม่ติดเราไม่สามารถจะควบคุมให้ทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยนะมันล้วนแต่เป็นของดีๆได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือฝึกใจเราให้ดีฝึกใจเราให้ฉลาดจริงอยู่ใจไม่ใช่เป็นตัวตนของเรานะใจไม่ใช่ของเรานะ มันเป็นอนัตตาแต่ว่าเราสั่งมันไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราฝึกได้เดีย๋ยวว่าแต่อะไรเลยเนี่ยหมาเนี่ยมันยังฝึกได้เลยหมาบางหมาถ้าเราฝึกดีๆนะมันที่สิงระครังมันก็ไม่เห่ามันไม่เห่าคนเราถ้าฝึกดีๆเนี่ยถูกด่าไปใจก็สงบได้ก็ขนาดหมายังฝึกได้เลยทําไมใจเราเนี่ยจะฝึกให้มันดีไม่ได้จะฝึกให้ฉลาดไม่ได้จะฝึกให้เป็นปกติ นะในยามที่เจอความพัดภาคสูญเสียเจ อ, อสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเนี่ยใจเราฝึกได้แล้วควรจะฝึกด้วยเพราะว่าเราไปคาดหวังให้เราเจอแต่สิ่งดีๆเนี่ยมันเป็นความความเพ้อฝันนะแม้จะมีอํานาจวาสนายิ่งใหญ่แค่ไหนนะมันก็ต้องเจอความผิดหวังเป็นธรรมดานะแต่ว่าถ้าใจเราดีเสร็จแล้วใจเราฉลาดเสร็จแล้วจเรเป็นกุศลเสร็จแล้วเนี่ยเจอสิ่งที่แย่นะ เราก็ไม่ทุกได้อันนี้มันเป็นอิสระภาพนะที่ที่คนมักจะมองข้ามคนไปคิดว่าเราจะสุขหรือทุกเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะถ้าเสียงดังนะใจฉันไม่สงบนะถ้าเจอคนไม่น่ารักฉันจะมีความสุขได้อย่างไรถ้ารอบตัวไม่มีคนรู้ใจเนี่ยนะฉันจะมีความสุขได้หรือแต่คำสอนพระเจ้าบอกเราว่าเรามีอิสระเราไม่เราไม่จ เ, เป็นต้องตก เป็นเบีย้ยล่างของสิ่งแวดล้อมหรือเป็นท่าของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรแต่รอดใจเราเป็นอิสระคือไม่ทุกข์ก็ได้เพราะนั้นเนี่ยอยากจะฝากพวกเราว่าเนี่ยเจออะไรเนี่ยไม่สาคัญทั้งว่าใจเราเป็นอย่างไรนะเจอสิ่งแย่แต่ใจดีใจปกติเราก็ไม่ทุกข์ได้เหมือนกันข้ามเนื้อผู้คนเท่านี้นะขอกราบพร